เพื่อที่เราฝึกหัดตื่นหลุกลุกเช้าเนี่ยมันก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ให้พากันเข้าใจเราเริ่มใส่ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเราจะในข้ามาบวชต้องให้นึกเสมอเรื่องนี้เนี่ย เรารู้เรื่องราวพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่อดไม่อยากไม่ลำบากขาดเขินอะไรเลยเรื่องพระราชาสมบัติมีมากมายทางนางอัครเมเหเตเวีนางถนอมกรมในอะไรก็เพียบพร้อมไปหมดเลยพระเกียตรติยศ พระราชอำนาจก็แผรกระจายไปทั่วโลกมนตรกษัตริย์เมืองต่างๆได้นำเครื่องบรรณาการมาถวายมากมายกายกองตามประวัติที่ท่านกล่าวไว้ในตำราแต่ถึงกระนั้นพระ อ, องค์ก็ยังพิจารณาเห็นว่าการครองเลือนไม่เป็นทางพ้นทุกข์ เป็นทางให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ทั้งนี้เพราะเหตุว่าความรักความใคร่นี่แหละเป็นมูลเหตุอันสําคัญเมื่อความรักในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่มีอยู่ตราบใดความปรารถนาที่จะอยู่ในโลกนี้มันก็มีอยู่เท่านั้นแหละ เพราะว่าใจมันผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันทินเป็นที่น่ายินดีพอใจทั้งหลายในโลกนี้มันจึงไม่อยากหนีจากโลกนี้เลยผู้ที่จันเห็นโทษแห่งกามคุณทั้งห้ามีรูปเป็นต้นดังกล่าวมา เพราะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเป็นสิ่งยักย่ายผันแปรอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะอำนวยความสุขให้สม่ำเสมอตลอดไปเพราะของไม่เที่ยงได้มาแล้วใช้ไปบริโภคไปก็ สำรุดสุดทรมไปหมดไปสิ้นไปอยู่อย่างนั้นเงินทองหาได้มาแล้วก็ใช้ไปก็หมดไปถ้าไม่มีจะใช้เราก็เป็นทุกข์เดือดร้อนคนธรรมดาสามัญผู้ที่ท่านออกบวชตามพระพุทธเจ้าท่านก็มาพิจารณาเห็น ว่าพระพุทธเจ้าน่ะพระองค์เพียบพร้อมไปด้วยราชสมบัติถึงบานั้นพระองค์ก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอัจจภาพร่างกายพร้อมทางราชสมบัติทั้งหลายมีอันแตกอันดับเป็นธรรมดาจึงได้หนีออกบวชเพื่อแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณโดยที่พระองค์ระลึก ได้อยู่ว่าพราะองค์ได้ปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้สร้างบารมีมาดังนั้นเนี่ยโดยอำนาจแห่งบารมีธรรมที่ท่านได้สร้างมากระตุ้นทัไทยของพระองค์ให้เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกผู้มีบุญวัาสนาสร้างสมติดตามพระองค์มา เมื่อได้ฟังคำ ส, สั่งสอนของพระองค์แล้วก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกพระราชามาหากษัตริย์ก็เบื่อหน่ายในการที่จะครองสมบัติต่อไปยกตัวอย่างเช่นเชื้อสายกษัตริย์ได้แก่พระอาณ น, นพระอนุรุทธะอย่างนี้นะ พะรพะอุบาลีพระอุบาลีนี่เป็นช่างตัดผมให้พวกกษัตริย์พวกกษัตริย์มอบเครื่องแต่งตัวเต็มยศให้เอาไปขายเลี้ยงชีวิตตลอดชีวิตก็ไม่หมดเมื่อท่านรับแล้วพวกกษัตริย์เริ่เดินทางไปแล้วถ้าก็คิดว่า เครุ่งเครื่องงมเหล่านี้ เ, เราเอาไปขายเอาเงินทองมาใช้มาจ่ายมันก็ชั่วชีวิตท่านนี้ก็หมดไปแล้วเราก็ตายไม่เห็นได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันท่านคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็แขวนห่อผ้าเหล่านั้นไว้ตามกิ่งไหม้ประกาศว่าใครต้องการมาเห็นเข้าก็เอาไปใช้สอยได้เลยเอืันแั้นทางคน ติตามพวกกษัตริย์ทั้งหกนั่นไปไปขอบวชกับพระศาสดามันีกษัตริย์ทั้งหกนั้นมาปรึกษากันว่าพวกเรานี่เป็นเชื้อกษัตริย์เป็นเจ้าทิฏฐิมานะเพื่อจะดัดทิฐิมานะของพวกเราเราขอให้พระศาสดาบวชอุบรีนี่ให้ก่อน พวกเราจะได้เคารพกราบไหวอุบารีเพื่อลดละทิฐิมานั้ น, น, นลงตกลงขนางนั้นก็จึงให้อุบารีบวชก่อนอุบารีบวชแล้วพวกทั้งห้าทั้งหกนั้นก็จึงบวชทีหลังนี่จะฟังเอาปฏิปทาของท่านผู้มีบุญหนักสักใหญ่ท่านเป็นเชื้อสายกษัตริย์พัน ท่านยังเห็นโทษแห่งทิฏฐิมานะอนัอ น, น, นว่ามันเป็นภัยต่อตัวเองมากมายก็จึงหาอวัยลดละทิฏฐิมานะตั้งแต่บวชทีแรกไปเลยทีเดียวเราจำเอาเป็นคติเตือนใจว่าธรรมดาเป็นนักบวชเนี่ยมันต้องลดละทิฏฐิมานะทุกอย่างลงไปในเชนั่นแล้วก็ จะไม่สามารถได้บรรลุคุณธรรมอันสูงขึ้นไปได้ดังนั้นนะให้พึ่งพากันเจริญพุทธคุณนี้เป็นอารมณ์เหล่าจิตใจมันจะได้ใหญ่ขึ้นความรู้สึกนึกคิดมันจะสูงขึ้นไปมันจะอยู่เหนืออำนาจของกิเลสกิเลสครอบงำไม่ได้ถ้าบุรีมีพุทธคุณเป็นอารมณ์โย เพราะว่ามานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างว่านั่นแหละพระองคนะ์น่ะมีนางนะสนมพ่อมล้อมอยู่ทั้งกลางวานันกลางคืนในเดือดร้อนอะไรเลยเมื่อพระ อ, องค์เห็นโทษเห็นความไม่เที่ยงความแปลปวนของรูปเสียงเหล่านั้นแล้วพระ อ, องค์ก็ไม่ยินดีปีดาอะไรกับรูปเสียงเหล่านั้นเลย สามารถละทิ้งนีไปบวชได้อันนี้แหละเป็นคติเตือนใจของเราผู้บวชเข้ามาแม้ผู้ที่พูดอยู่นี่ก็ถือเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์เมื่อบวชเข้ามาออกปฏิบัติแล้วมันจิตมันจะหวนกลับเข้าไปคลองเก่าอย่างนี้เข้ามานึกถึงปฏิปทาของพระเถรเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลาย เป็นอารมณ์แล้วมันก็ยุดความคิดความมุ่งหมายที่จะกลับไปสู่ทินเดิมมันก็ยุดติดลงได้ใจมันก็ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักบวชเนี่ยไปทำใจน้อยไม่ได้เลยต้องฝึกตนทำใจให้ใ ห, ใหญ่ๆญ่ไว้อย่าไป ทำใจให้น้อยถ้าทำใจน้อยเนีมันวอกแวกสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากอะไรนั่งหนานะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ถึงแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากมายกายของก็จริงแต่เมื่อเรามาเพ่งจิตดวงนี้ มาสะกดจิตตรงนี้ให้สงบประงับลงไปแล้วบรรดาคุณธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาทรงสแสดงนั้นมันก็มารวมอยู่ที่จิตนี้หมดอ่ะไม่ไปไหนอ่ะการที่ทรงสแสดงธรรมะหลายข้อหลายหมวดก็เพื่อมาอบรมจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบนั้นเอง ไม่ใช่อย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นเมื่อทําจิตได้สงบแล้วขันตีความอดทนก็อยู่ในนั้นเอเคิดดูสิอุเบกขาความวางเฉยก็อยู่ในจิตนี้แล้ววิริยะความเพีย้ยรอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนั้นถ้าไม่พักเพียนเพ่งพินิจจิตก็สงบลงไม่ได้ดังนั้นอ่ะ ใครเพิ่งเข้าใจเอารวบรัตอย่างนี้มันจึงไม่ยุ่งใจหลายการปฏิบัตินั้นน่ะแล้วท่านทางรักทางตรงท่านยังสอนให้เจริญอนาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์หายใจเข้าก็กำหนดความรู้อันนั้นเป็นหลัก ห้ยใจออกก็กำหนดเอาความรู้นั้นเป็นหลักไม่เอาอย่างอื่นมาเป็นหลักเลยทำอยู่อย่างนี้พยายามทำอยู่อย่างนี้สติมันแก่กล้าเข้าไปมันก็ควบคุมความรู้สึกอ น, นั้นให้หยุดนิ่งอยู่ได้ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเรื่อนรอยไปทางอื่น นี่เรียกว่าวิธีอบรมจิตอย่างกระทัดรัดอบรมโดยวิธีนี้มันไม่ยอมสงบอย่างนี้แล้วก็เราจึงนึกถึงคุณธรรมมาดิหรือว่านึกถึงกรรมฐานถ้าจิตมันคิดไปในเรื่องรักเรื่องใครมา ก, มากๆกว่าอารมณ์เอินอย่างนี้ก็นึกถึงอสุภกรรมฐานมาเป็นอารมณ์ ไม่ต้องไปเพ่งภายนอกอะไรอสุภะในกายเนี่ยมันมีอยู่แล้วอวัยวะภายในทุกส่วนล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดทั้งนั่นเลยโดยอาศัยหนังมันหุ้มอยู่เฉยๆมันความโสโครกโถโกโปกมันจึงไม่ปรากฏออกมาอันนี้เราพี่จะนาดูสิ อ, อันนี้มันเป็นอย่างนั้น เราต้องพิจารณาตามสภาพความจริงอย่าบิดเบือนไปในทางที่ไม่จริงเมื่อเราพิจารณาตามสภาพความจริงแล้วมันก็เห็นตามสภาพความจริงนั้นอย่างตาหนังข้างนอกนี่นะเรามองเห็นสิ่งโสโครกสกโปกภายนอกนะั้นของเรา่าของเ้นต่างๆมันั้นนะ พอเห็นเข้าแล้วตรงนี้ตาก็ไม่อยากดูจมูกก็ไม่ปรารถนาจะไปสูตรกลิ่นเหล่านั้นเลยเบือนหน้านี้เดินหนีให้ลองคิดดูตั้งแต่ของตกกระปกภายนกอกเมื่อตามองเห็นก็แล้วยังไม่อยากดูซ้ําเลย อ, อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อตาในาคือตาใจ มองเห็นอวัยวะร่างกายทุกส่วนภายในนี่มองเห็นตามสภาพความจริงแล้วมันไม่น่ายินดีพอใจที่จะมาอาศัยอยู่ในรูปกายนี่เลยเพราะ ม, มาอาศัยอยู่ในสิ่งโสโครกสรุปรกไม่มีอะไรเป็นของสะอาดแม้แต่น้อยเดียวอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะ นี่เป็นอย่างนี้อันสาเหตุที่นักปราชทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นจะทรงเบื่อหน่ายต่อโลกสงสารคืออัจภาพร่างกายอันนี้ก็ดีนอกร่างกายอันนี้ออกไปรูปอื่นกายอื่นมันก็มีสภาวะเหมือนกันนี่หมดเลย เมื่อเป็นเช่นนี้จิตของท่านจึงได้เกิดนิพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปวะนี่อ้าวเมื่อเมื่อก็คลายความกำหนัดยินดีไปเรื่อยๆอยังไงเหมือนอย่างที่เราเห็นของสกรปรกภายนอกนั่นเนี่ยเมื่อเห็นเขาแล้วมใครจะไปดืนจะไปเดินยืน จ้องดูมันอยู่หรือสูตรกลิ่นเหม็นอวนั้นอยู่นั่นไม่เวียมิจะเดินหนีไปเลยเอามือปิดจมูกแล้วอันภายในนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าตาใจอันนี้แหละใจมันผ่องใสเพราะมันสงบเมื่อมันสงบแล้วมันผ่องใส พรสัยมันก็มองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นตามสภาพความจริงอย่างว่ามันไม่สะอาดอะไรเลยเช่นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหงื่อน้ำลายน้ำเสลดน้ำมูดน้ำมูกน้ำตาขี้หูขี้จมูก ขี้เลี้ยนขี้ฟันอะไรต่างๆหมดนี่นะมันจะมีอะไรนะเป็นที่น่ายินดีอะนนี้ขี้เงือขี้ใครถ้าหากว่าไม่อ่าบน้อนทำละร่างกายในอยู่ทุกวันนะปล่อยให้เงือไใครออกมาจับตามขุมขนอันนี้มากๆเข้าไปแล้วมันหนา ขึ้นหนาขึ้นก็ส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วเลยไม่มีแต่มันจะหอมนะนี่โดยอาศัยที่อาบน้ำชำระด้วยสบูท่ทุกวันทุกวันมันจึงไม่ส่งกลิ่นออกไปหาผู้อื่นเออกเ็เราต้องพิจารณาตามความจริงอย่างนี้นะอย่าไปลําเอียงไปด้วยความรักความใคร่ ไปเพนาะมองเห็นตั้งแต่เวลาเขาตกแต่งร่างกายนี่เรียบร้อยแล้วนั่นไปมองเห็นนะ่ะ แ, แต่เท่านั้นเองนะว่าสวยงามอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นไปตามความจริงออันนั้นเป็นการตกแต่งก็ยังวะตกแต่งชั่วคราวเฉยๆนี่นะถ้างดตกแต่งแล้วมันก็ไม่สวยงามเหมือนเดิมนั่นแหละ นี่เราก็พี่นาให้มันรู้เห็นไปตลอดไปเลยฮะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าแต่นักบวชข้ารือหัดก็จำต้องพิจารณาเพราะถ้าไมา่พี่นาแล้วตันหามันยิ่งหนาแน่นขึ้นเป็นเหตุให้ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรม แต่ทำชู้จากภรรยาทำชู้จากผัวในทางรวเวนีหมู่นี้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้พิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเองมันจึงได้ประพฤติผิดศีลทมสร้างบาปกรรมใส่ตนเองและคนอื่นอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีดีอะไรความรักความคล้ายอันนั้นนะกันเมื่อ พุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาเห็นสภาพความจริงของร่างกายอย่างนี้เนะ่ยมันก็จะบรรเทาราคะโทสะโมหะนิลงไปมากมายกายกองที่เดยวบรรเทายจริงๆในเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายนี่มันเป็นของโสมก็ของไม่เที่ยงแล้วมันก็เลยเห็นเป็นอนัตตาไปเหมือนกันนะ ก็ถ้าหากว่าเป็นอัตราแล้วเป็นของตนเองจริงอ่ะตนก็จะไม่สร้างให้มันสุขกขก็ปกโสมมออย่างนี้สิสร้างร่างกายนี่มาให้มันสะอาดให้มันสวยงามให้มันสะอาดให้มันมีกลิ่นหอมวนอยู่ตลอดเวลาความประสงค์ของจิตใจนะ่ะมันต้องมีอย่างนี้ทุกรายแหละมันเป็นอย่างนั้น แต่แล้วมันไม่ใช่นะมันไม่เป็ี่นไปตามใจหวังมันมันจะไปสู้กดธรรมดาไม่ได้เลยความคิดความรู้สึกของจิตใจนี่ไนงะมันจะไปสู้กกดธรรมดามันไม่ได้กดธรรมดามันมีความสกปุกโสโครกเป็นพื้นฐานมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอเป็นลักษณะ มีความทุกข์ทนด้ยากลําบากเป็นลักษณะมีความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดของผู้ใดเป็นลักษณะบรรดารูปทมก็ดีนามรมก็ดีภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีปณิดปนจงก็ดีหมนี้มันตกอยู่ในลักษณะสามประการนี่ มดเลยเอา้าว้าตสีเอาเศเอาเข้ามาใส่เป็นสีได้แก่อสุภะความโสมกโทกกโปกงต่างๆอันนี้มันก็นับว่าเป็นลักษณะของรูปร่างกายอันนี้แน่นอนเลยดังนั้นนะ่ะผู้ปฏิบัติทำเรื่องหลายในพุทธศาสนานี่อย่าไปบิดเบือนความจริงเมื่อความจริงมีอย่างไร เราต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นเมื่อเห็นตามสภาพความจริงแล้วมันมันก็จะต้องเบื่อหน่ายเป็นธรรมดาเลยแต่ว่าการเบื่อหน่ายของคนเรานี่นะมันมีกำลังมากกำลังน้อยอกว่ากันไม่ใช่ว่าพอเบื่อหน่ายจะจะเบื่อเหมือนกันหมดเมื่อละความกาหนัดยินดีก็จะละเหมือนกันหมดไม่ใช่อย่างนั้น อาผู้ที่เบื่อนายไม่รุนแรงเมื่อก็เช่นอย่างผู้คลองเรือนอย่างนี้นะก็ไม่ไปประพฤตินอกใจผัวนอกใจเมียทางประเวณีอันนี้เรียกว่าความเบื่อนายอันเป็นเหตุให้ละเว้นจากบาปกรรมอันชั่วได้ความรักความใคร่อันใดซึ่งไม่ผิดศีล อันนั้นยังมีโยมันยังละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เพียนพยายามละมันไปมันไม่เป็นบาปเป็นโทษอันนั้นนะแต่ถ้าบุคคลไม่ละเพียนละมันแล้วมันก็พาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่เหมือนกันแหละขอรักอันไม่เป็นบาปเป็นกรรมนั้นก็ดีดังนั้นนักบวชทั้งหลายท่านจึงไม่ส่งเสริมเลย ผู้ผู้เห็นภัยในวตาสสงสารแล้วความรักแม้น้อยหนึ่งก็จะไม่ให้มันมีอยู่ในหัวใจความชังความโกรธก็เหมือนกันเราจะต้องปัดมันออกจากจิตใจให้มันหมดไม่ได้เร็วก็เอาช้าทำความภาคเพียรพยายามไปตั้งความอดความทนลงไป อย่างนี้มันก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อเราตั้งความภาคเพียรความอดทนทำความเพียรเพ่งพินิจกันไปไม่ท้อไม่ถอยไม่อาการไม่อ้างเวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ก็ไม่ลืม กายไม่ลืมจิตอันนี้ตามรักษาจิตนี้อยู่ทุกอิริยบทไปเลยเช่นนั้นแล้วจิตนี้มันก็จะไม่หลงความจริงอย่างว่านั้นเนี่ยเคยพิจารณาเห็นอย่างไรมากรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้ได้เช่นนี้แล้ว กรรมฐานของผู้นั้นก็สำเร็จประโยชน์ใดทำให้จิตใจสงบเป็นกปกติสม่ำเสมอไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังอุบายเท่าที่แนะนำ ม, มานี้แล้วก็พาการจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วทำความเพียรลงไปจริงๆอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆ วามจริงแล้วมันจะมีผลมีประโยชน์เต็มที่ได้อยู่ที่บุคคลผู้ฟังแล้วลงมือกระทำทำจริงๆเลยสำรวมตนจริงๆกลางวันก่อนนั่งสมาธิภาวนาเมื่อไม่มีธุระอะไรอย่าไปเล่นอยู่เฉยๆนะกลางคืนก็ น, นั่งภาวนา นอนสักสามสี่ชั่วโมงก็เอาแล้วมันไม่ตายผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายแต่ไปเห็นแก่รับแกนอนแล้วไปไม่รอดความมุ่งหมายที่จะเอาชนะกิเลสตัณหานั่นผิดหวังไปเลยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญนะการเห็นแก่รับแกนอนเนี่ย มันทำให้เกิดกิเลสตัณหาความหลงความเมาอะไรมันเกิดขึ้นได้เลยคนนอนมากมากไม่มีสติไม่มีปัญญาบิดขี้เกียจแล้วนอนหลับไปเตินขึ้นมาบิดขี้เกียจแล้วนอนอีกอย่างนี้นะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจะเป็นคนโง่เง่าเต่าทูนไป คนนอนมากอ่ะไม่มีปัญญาเป็นงั้นเพราะนั้นอย่าพากันไปชื่นชมยินดีกับความหรับความนอนน่ะให้มันเกินขอบเขตต้องเหลือเวลาไว้ทำความเพียรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเฉพาะผู้โยปาอย่างนี้มันก็ไม่มีธุระอะไร ที่จะต้องทำหนักหนามีข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเท่านี้หนึ่งนะแล้วก็มีโอกาสได้ทำความเพียงเพ่งวินิจทาง จ, จิตใจมากเต็มที่เลยนะแต่ว่าผู้ประมาศิแล้วมันทำไมเพ่งพงินิจฉาปล่อยจิตให้ลอยไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นมันจะได้ความ สุขความสบายใจอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างไรได้แบบนั้นมันไม่ได้ที่มันจะได้รับผลนะก็เพราะเราเพียนเพ่งพินิษควบคุมจิตของตนทั้งกลางวันกลางคืนทุกอิริยาบถไปเลยอย่างนี้นะเมื่อจิตนี้มันถูกควบคุมด้วยสติสมาธิปัญญาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ พิตกกิจจานไปในบาปอากุศลเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวียงสาวิตกไม่ไปแล้ววะเนี่จิตที่ควบคุมอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่มันจะเป็นจิตที่ตั้งอยู่ปกติรูปปกติเห็นเห็นว่าทุกข์เป็นของมีจริง ควรรู้เท่าออขันห่านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากก็มันไม่เที่ยงเราก็รู้เท่าตามเป็นจริงไปอย่าไปดีใจเสียใจกับขันห่าอันนี้อเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ทิ้งเราจึงได้เพียรละความอยากในหัวใจในีมันน้อยลงไปโดยลําดับจึงจึงชื่อว่าผู้เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ก็เห็นว่า ความดับตัณหาและสิ้นเชิงทุกข์ก็ดับไปหมดนี่เพราะนั้นการดับทุกข์จะไปดับอย่างอื่นมันไม่ได้ต้องดับตัณหาในหัวใจพูด ง, ง่ายๆว่าต้องดับความอยากในหัวใจอย่าให้มันอยากไปเกินขอบเขตให้มันอยากอยู่ในขอบเขตเช่นอย่างเป็นนักบวชอย่างนี้น ะ, ะถ้ามันไปอยาก รูปเสียงกลิ่นรสไฟนอออกไพรโน่ ed, ไม่แล้วไม่ใจหนทางแล้วแตมอนอยากทำความเพียรอยากทำใจสงบอยากให้ใจปลอดจากกิเลสตัณหานี่ความอยากอันนี้ํำเป็นความอยากที่ดีแท้ๆอันนี้นะให้บารุงความอยากอันนี้ให้มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้น เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงพากันตั้งอยู่ในอัิมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประ ม, มาทพยายามทำความเพียรไปให้เต็มความสามารถของตนของต น, งนก็จะได้ประสบผลที่มุ่งหวังดังกล่าวมา